ผู้ทั่วสวัสดีค่ะดิฉันสรนสนญีนาคพงศ์นะคะท่านฟังคะเรามาดําเนินรายการสรรสนีสนทนาให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้ในแต่ละวันที่ผ่านไปของพวกเราที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธหรือแม้แต่กระทั่งคนที่บอกตัวเองไม่มีาศาสนาหรือไม่ใช่ชาวพุทธดิฉันก็เชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงของ ทุกชีวิตบนโลกใบนี้สามารถนํามาประยุกต์ในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขได้นะคะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่อยากอยากจะกราบเรียนสนทนาท่าน์เผยบุญอภิปุญโนจาวัตปาดรณไฮโซเนี่ยมากเพราะว่าก็คิดเหมือนกับทุกท่านทุกคนที่อยากให้สังคมอยู่กันด้วยความรักใคร่สามัคคีปรองดอ o ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอคนธรรมดา ในส่วนขององค์กรในส่วนของสถาบันซึ่งตอนนี้ที่ฉันกำลังเป็นห่วงเรื่องของอสถาบันทางด้านศาสนาด้วยนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในทุกสถาบันเราอยากจะให้มีคุณธรรมอะไรสักกลุ่มหนึ่งที่ทําให้พวกเรานั้นสามารถอยู่ได้บนความคิดเห็นความเชื่อความศรัทธาที่ แตกต่างหลากหลายบนโลกใบนี้แล้วไม่กลายเป็นความแตกหักในที่สุดทั่วโลกเขาเร่าร้อนกันไปนหมดนะคะไออสเอยอะไรต่ไม่อะไรเอยแต่พอมองกลับมาในประเทศไทยทำอย่างไรพื้นแผ่นดินนี้จึงจะร่มเย็นเป็นสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปขอปัญญาของพระพุทธเจ้ามา ใช้ชีวิตกันจากพระอาจารย์ไทบูรอภิปุณโววัดป่าดอนหายโสอุดรธานีค่ะกราบน้มักการะท่า น, นค ะ, ะเยนพานค่ะที่คุณโยมติวพูดถึงว่าความที่มันโลกมันแบบวุ่นวายใช่ไหมค่ะคนนี้ก็เห็นอย่างนึงคนนั้นเห็นอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนสถาบานันประเทศชาติและไม่ได้ชาติเดียวกันองค์กรทางศาสนา น, นี่ก็ยังไม่เว้นใช่ค่ะทีฉนันกําลังเป็นห่วงมากที่กราบเรียนท่านเนี่ยเพราะทุกวันนี้ดูเหมือนกับว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นแตกต่าง ในเรื่องศาสนาพูธของเราเนี่ยกำลังร้อนแรงขึ้นใช่<า>ใช่ค่ะนะคื อ, อันสมัยปัจจุบันนี่ก็อย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ท, ทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีวัชรยานใช่ไหมพวกพระธิเบศนี่ก็กลุ่มหนึ่งไม่รู้ตอนรุ่นเขาแตกกอกมาเป็นตรงนั้นได้ยังไงนะหรือมหายานเถรวาดในเถรวาดเองก็ยังมีธรรมยุทธอะไรต่างๆ่างเหล่านีซ้ซึ่งแบ่งกันไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเเราจะสมักสมานสามัคม ค, คีทํำยังไงให้มีความเคารพกันอาจจะไม่ได้ มาเป็นซีเปกกินข้าวร่วมขันใช้ชีวิตเหมือนกันทุกอย่างอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีความเป็นไม่วิวาทกันอา้าวแต่ถ้าดีขึ้นไปก็พร้อมเปลียนกันถ้าดีขึ้นมาอีกก็เป็นพวกเดียวกันแต่วิธีการที่จะทําให้เกิดตรงนี้ได้มีหมวดธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเรียก ว, ว่าเป็นสารานิยธรรม6กนะสารานิยธรรมห ส, สารานิยธรรม6เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันแตมาจะจะไล่ไปก่อนนะแล้วจะค่อยอธิบายพันีละอันทีละอัน อันสามอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความเมตตาแตความเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาแล้วก็เมตตาทางใจไม่ใช่แค่นี้ยังรวมถึงต่อหน้าแล้วก็รับหลังด้วยแต่เมตตาต่อหน้ารับหลังทางกายวาจาใจอันนี้คือ3ข้อแรกข้อที่4ถัดมาะเป็นเรื่องของการแบ่งปันสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นลาบสกาะุนะอาหารบัชรีสีต่างๆและมีการแบ่งปัน มีการให้กันไม่ได้เกียดกันเอาไว้เพื่อตัวเองหรือว่าคิดว่าจะบริโภคเองแต่ว่าก็ยังแบ่งให้คนอื่นเขาได้รับด้วยอันนี้คือข้อที่4ี่ในส่วนข้อที่5นั้นก็คือเรื่องของศีลในที่มีความเสมอกันในเรื่องของศีลและก็ที่6เสมอกันในเรื่องของทิฏฐินี่คือ6อย่างในที่นี้ใน6อย่างนี้ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณยมติว่าใน6อย่างเนี้ยแต่ละข้อในข้อจะสมมติคุณมีข้อเดียว ก็สามารถทําความระลึกถึงกันทําความสงเคราะห์กันในเบนใบเพื่อความรักเป็นใบเพื่อความไม่วิวาดพร้อมเพรียงกันได้แล้วนแต่ค้อเราดูในหมู่ไหนก็แล้วแต่นะหมู่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีถ้าเขายังพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันอยู่ได้เนี่ยพวกโจรนี่เขาก็สามัคคีกันนะแล้วเราจะต้องเห็นคุณธรรมอันใดอันหนึ่งใน6อย่างนี้แน่นอนในพวกโจรอ่ะพวกโจรก่อนในพวกโจรที่เขาสามัคคีกันได้เนี่ยก็จะมีการแบ่งปันกันคุณมีลาบคุณก็แบ่งกันเขาก็จึงสามัคคีกันอยู่ได้ เน่นพ ร, อพร้อมเรียนกันอยู่ได้ไม่วิวาทกันนี่คือพวกโจร น, นะเขาก็ยังมีคมุณธรรมแบบอย่างนี้บางทีเขาบอกไม่ต้องโจรก็ได้นะครับท่านคือเหมือนกับ อ, อย่างกับบางสังคมยุทสยามเช่นสังคมการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยเพื่อจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าอถ้าถ้าพูดสิ่งที่มีคุณค่าฟังดูดีนะคะถ้าบอกว่าจัดสรรคนประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันพอดีพอดีกันนี้เขาก็พูดกันอยู่ ทีนี้ว่าผลประโยชน์เราก็รวมถึงเรื่องของทางใจใช่ไหมถ้าทางใจก็คือ 5-6 อย่างนี้เนี่ยเรื่องทางภายนอกก็จะมีเรื่องของลาบในข้อที่4ี่นนคือสิบใบนอกทีนี้ว่าถ้าสมมุติมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่แตกกันอย่างที่แตกกันใน6อย่างนี้ก็จะต้องมีที่หายไปเนืงยิ่งถ้าซีพึ่งกันมากเน่ยซีพึ่งกันมากใน6อย่างนี้ก็ยิ่งจะมีมากมีข้อ น, นั้นด้วยข้อ น, นี้ด้วยในแต่ละข้อก็มีความเข้มข้นมีความถูกต้องในบทพิจาชนะมากขึ้น เดี๋ยว่นี้เรามาทําความเข้าใจในแต่ละข้อกันเนื่องพระาะว่ามันมีนยัยยะที่ที่แฝงอยู่เอาเรื่องของความเมตตาอย่างเงี้ยในพระบรมชาบอกว่าเมตตาทั้งในที่แจ้งและที่รับด้วยน ะ, ะและในที่แจ้งเนี่ยหมายความว่าคุณเองเขาเห็นได้นี่ยคือทางกายทางบาจนาะแต่ส่วนที่รับนี่คือทางใจและในใจเราและเราไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่รับหลังแต่เราก็จะต้องมีความที่มีเมตตาเกิดขึ้น คือไม่ใช่เฉพาะต่อหน้าล่ะแต่ในรับหลังด้วยค่ะแต่เพราะว่าบางคนเนี่ยเออเห็นเห็นหน้ากันถึงจะค่อยพูดดีกันแต่พอหันหลังให้กันแล้วก็ไม่ได้พูดถึง<ม>อันนี้แสดงว่าคุณไม่ได้มีเมตตาทางวาจาในทางรับหลังแต่ก็ไม่ได้โกรธเกลียดหรอกแต่ไม่ได้พูดถึงไงมันก็ไม่เต็มก็มาข้อนี้นเพรดังนั้นรายละเอียดมันก็มีมากถ้าสมมุติว่าเราเอาเรื่องดีๆของคนนั้นไปพูดให้คนอื่นเขาฟัง่ยคือ น, นี้แสดงความเมตตาทางวาจา ในที่รับหลังมันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะทางกายด้วยทางใจด้วยนั่นนี่คือ3ข้อแรกนะในข้อที่สีนั้นมีการแบ่งปันเนี่ยพระบรมเชษาใช้บทเพยยี้ยนนะตรงนี้บอกว่าบริโภคให้เป็นสาธารณะนะสาธารณนี่ก็คือว่าให้คหนอื่นเขามาใช้ได้แบ่งกันนะก็พูดถึงการจัดสรรผลประโยชน์ที่คุณโยมตีว่านะไม่มีการจัดสรรงบประมาณหรือว่าทรัพยากรนะให้มันเหมาะสมในะเรื่องที่จะสามารถสมัครสมานกลุ่มคนกลุ่มนี้ ด้วยกันได้บริโภคให้เป็นสาธารณอาใช่บริโภคเป็นสาธารณะกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้คในข้อที่สี่ข้อที่5ข้อที่6นี้ต้องมีความละเอียดนิดหนึ่งเพราะเราเป็นเรื่องที่สําคัญพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความที่มีศีลเสมอกันแะเสมอกันในศีล น, นะเสมอกันในศีลทีนี้ไม่ใช่ศีล ท, ทั่วไปนต่ะจะต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลของพระอริยเจ้าหนึ่งก็นะศีลของพระอริยเจ้านะ 2ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะสมต้องไม่ใช่ศีลที่เป็นไปกับด้วยตัณหาและทิฐิ3คุณสมบัตินี้นะหมายความว่าไงเนะี่ย <Okay. S 1> พูดถึงศีลที่ไปกับด้วยพระอริยเจ้าเนี่ยก็คืออย่างต่าๆด้านศีลห้าคุณต้องมีอย่างน้อยคือตรงนี้ <Okay. S 1> นะศีลห้าแล้วก็เป็นศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ป้อยนะก็คือทําความละเอียดให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือใน <Okay. S 1> ส่วนที่1ของเรื่องข้อที่5คือเรื่องของศีล แต่ส่วนที่สองของเรื่องของศีลนี้คือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะศีลที่จะทําให้จิตใจนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวได้ค่ะนือคือศีลถ้าจะเป็นไปเพื่อมิจฉาสมาธิจะไม่ได้นะศีลที่เป็นไปเพื่อมิจฉาสมาธิมีด้วยหรอก็มีอยู่คนโยมเดียวถ้าผมว่าตกอยู่ในอำนาจของตัณหาลและทิ่ติแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าบางทีเรารักษาศีลเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกยกต น, นข่มกาว่าเฮ้ยเธอไม่มีศีลนี่ยําฉันมีศีล อ, อ, อันนี้คือศีลแบบมีตัณหาค่ะ ศีลแบบมีทิฏฐินะหรือพอเห็นคนอื่นเขาทําไม่ถูกศีลด่าเขาเอา้าวแสดงว่าคุณนี้ยังมีศีลชนิดที่มีตัณหาและทิฏฐิอยู่นะเนี่ยนะคิดว่าตัวเองดีกว่าเขานะตีตนเสมอท่านยกตนข่มท่านนะไม่ดีละศีลแบบนี้ไม่ได้นะเรียกว่ามีศีลไม่เสมอกันนะทีนี้ในข้อที่ความเสมอกันเนี่ยก็ต้องเสมอในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติด้วยนะเช่นว่าถ้าสมมุติ เรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอย่างสามีภรรยานะเขาไปปฏิบัติธรรมถ้าไปปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลแปก็ดีแตนะกลับมาบ้านแล้วคนหนึ่งจะศีลแปคนหนึ่งจะศีลห้ามันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ ม, มันก็จะเรื่อเอียงเบี่ยงเบี่ยงนิดนึง่งครอบครัวอาจจะแตกได้แต่นะ ถ, ถ้าความเห็นไม่ลงกันตรงนี้ก็ต้องศีลเสมอกันอันนี้คือข้อที่5ส่วนในข้อที่หกนั้นก็คือทิฏฐิเสมอกันในทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็น แต่ไม่ใช่ความเห็นทั่วๆไปคุณโยมเต๋วแต่ว่าเป็นความเห็นชนิดที่ไกลจากค่าศึกเป็นความเห็นชนิดที่จะทําให้กิเลสออกแต่พูดง่ายๆคือเป็นสัมมาทิฏฐิแต่คือไม่ใช่ว่าคุณเห็นด้วยกันเหมือนกันแล้วคุณจะถือว่าเป็นมีทิฏฐิเสมอกันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าคุณมีความเห็นในนโยบายอย่างนี้เหมือนกันแต่เราจะบอกว่าความเห็นเหมือนกันมันไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่ความเห็นในนัยยะที่ประพุทธเจ้าหมายถึงแต่ความเห็นในนัยยะที่ประพุทธเจ้าตราดตรงนี้ก็คือ ความเห็ที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญบาปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิความไม่ใช่ตัวตนนั้นรับพวกสักกายทิฏฐิที่เป็นไปในแนวทางนี้บางกันงยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเรามีความเห็นชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นสักกายทิฏฐิเป็นต้นความเห็นชนิดที่เป็นตัวตนนะนะใชเป็นตัวตนเนี่ยบางทีความคิดของเขาออกมาเนี่ยเป็นคนละขั้วกัน เป็นกลรคั่ก่ น, ก น, ก น, กนสมมติฉันมีตัวตวนอย่างนี้ฉันไม่บูชาอะไรเลยเนีฉันไม่บูชาอะไรทั้งสิน้นอีกพวกหนึ่งก็มีความตัวตวนอีกแบบหนึง่งแต่บูชาไปหมดเลยทุกอย่างเน่ยความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ทิฏฐิเนี่ยเป็นไม่ใชท่ทิฏฐิเหมือนกันไงค่ะท่านอาจารย์ค ะ, ะกลับเรียนถามว่าถ้าหากข้อที่หกนี้ทิฏฐิต้องเป็นสัมมาทิฏฐิใช<จ>่อ่าความเห็นที่ถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาที่จะให้เดินห่างออกจากทุกไป ทุกระยะใช่ทุกระยะเนี่ยนะคะท่านคะถ้าเช่นนั้นแล้วดิฉันเคยเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่อันเนี้ยถ้าเราจําหลักอันนี้เลยได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันถูกต้องอันนี้คือเป็นเรื่องของอริยสัจสีค่ะทุกอย่างที่ท่านได้กล่าวไปว่าเรื่องส ก, กิยะทิฏฐิเรื่องอเมื่อสักครู่นี้<ม>ทชานพทิถึงอื่นอื่นใช่อันเนี้ยรวมอยู่ในอริยะในอริยสัจสี่ไหมคอะจะ ก็ ค, คือว่าถ้าเราละพวกนั้นได้ไงละพวกที่เป็นสักขยะทิฏฐิละพวกมิจฉาทิฏฐิอื่นๆได้ก็เราก็จะมาะอยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่ล ะ, ะ, ะจะมาอยู่ในทางของสัมมาทิฏฐิตรงนี้เท <นะ S 2> ่ากับว่าทั้งหข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้ทุกคนทําได้แล้วสังคมนี้เราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยที่สงวนในสิ่งที่ตัวเองมีศรัทธาไว้ได้ในระดับที่พอเพียงทีเดียวถูกต้อง ในเรื่องนี้เนี่ยในข้อที่6กเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของทิฐินะคือเหมือนกับเป็นเรือนยอดที่ว่ายอดของเรือนเนี่ยหลังคาเนี่ยนะยอดหลังคาเนี่ยจะเป็นตัวที่แหวกน้ําออกเดีไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาขังอยู่ในอาคารซึ่งพอน้ําก็มาขังอยู่ในอาคารเนี่ยมันก็จะผุได้กร่อนได้พังได้แต่แต่ถ้าบอกว่ามียอดมุงไว้อย่างดีนะคือแน่หละบางทีอาคารปูนอะไรต่างๆถ้ามันมีน้ําขังมันก็ไม่พังหรอกแต่นานๆเข้ามันอาจจะพังได้ แต่ถ้ามีเรือนยอดดีมันก็ยิ่งจะมีความมั่นคงไปได้นานแต่เช่นเดียวกันเราอาจจะมีข้ออื่นเร า, า จ, จะมีความเมตตาเร า, า จ, จะมีศีลมีการลาบก็แบ่งปันกันแต่ถ้าทิฐิไม่เสมอกันมันก็อาจจะไปได้ในระดับหนึ่งมันก็จะมีในระดับหนึ่งซึ่งอันนี้แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมีผลมีอนิสงค์ของเขาทั้งสิน้นทั้งสิน้นค่ะนะคะทานฝั่งคะท่านพไบร์ท์กําลังให้ความรู้เกี่ยวกับหมวดธรรม ของพระศาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้ที่จะทำให้เราที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันสามารถที่จะแสวงหาจุดร่วมร่วมกันได้โดยธรรมะเหล่านี้นะคะคือเมตตาการแบ่งปันเมตตาทางกายวาจาใจการแบ่งปันสิ่งที่ได้มามีศีลที่เสมอกันและมีทิฏฐิที่เสมอกันและท่านบอกว่าทําข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถสงเคราะห์คือหมายความว่าได้ครบทุกข้อเหมือนกันเพียงแต่ถ้าข้อทิฏฐิเนี่ยต้องทําให้ได้ ใช่ไหมคะคือหมายว่าสําคัญที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดจะเป็นโดยที่ปกป้องอันื่นด้วยค่ะดรฉันเห็นเขามีองค์ความรู้นะคะปัจจุบันเนี้ยจริงๆก็เห็นมานานแล้วในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสมมุตเนี้นะคะคือการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้คนที่มีคติความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันแต่ว่า ไม่ถึงขนาดเอาเป็นเอาตายจนต้องขีดเส้นแบ่งกันอยู่ต้องทําแบบชั้นเท่านั้นแบบเธอไม่ได้ให้อยู่ร่วมกันได้อืมก็เป็นรองมาจากหลักนี้อีกทีเพราะว่าสาระนิยธรรมนี่เป็นหลักใหญ่เลยท่านลองไปคิดไข้ครวนกันดูก็แล้วกันครอบครัวไหนที่ยงเคยเห็นเข้าไปงานแต่งงานแล้วก็อวยพรกันอย่างนี้นะคะเขาจะบอกว่าอย่างคําว่าสมรสเนี่ย มันก็จะแปลได้สารพัดอย่างนะคะต้องมีรถที่เสมอการรวมถึงมีศีลที่เสมอกันด้วยใช่อ อ, อย่างเรื่องของศีลที่เสมอกันเนี่ยในในสองข้อที่เสมอกันคือศีลและก็ทิฏฐิที่เสมอกันอันนี้สําคัญนะก็เคยตรัสในเรื่องอพระสูตรอื่นๆที่พูดถึงสองอย่างนี้ต้องเสมอการละ่ะถึงจะอยู่ร่วมกันไปได้นะให้มันตลอดรอดฟังอทีนี้ใน<ม>เรื่องของศีลเนี่ยเป็นแนวนโยบายการบริหารงานบ้านเมืองด้วยเหมือนกันในที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย สามารถสร้างความกลมเกลียวในในประเทศได้ในในในในดินแดนของพระองค์ได้เนี่ยก็ด้วยนโยบายห้าอย่างคือเรื่องของศีลศีลห้านี้เท่านั้นเองค่ะแนี่คือน้อยที่สุดนะที่คุณจะต้องมีค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น้อยเหลือเกินแต่บางคนพอพูดถึงเรื่องศีลปุ๊บหันหน้าเลยไม่อยากคุยด้วยอะคะอ่าหรือหรือเราดูความแตกต่างในในบางสถาบันในในบางที่เนี่ยเฮ้ยสองคนที่แตกกันนี่ก็มีศีลเหมือนเหือกันนะ คนนี้ก็มีสีหน้าคนนี้ก็มีสีลหน้าแต่ทำไมเขาไม่ลงกันได้อะเออก็เพราะว่าข้ออื่นเขาไม่มีแสดงว่าการที่เขาจะมาร่วมกันลงกันได้เนี่ยข้อ น, นี้เขาจะอาศัยไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยข้ออื่นอันไหนมันจะเวิร์กอเอาตรงนั้น <c oughs> ซึ่งพอท่านพูดอย่างนี้ดิฉันขออนุญาตหัวเราะนิดนึง่ง <c oughs> <c oughs> คือได้พบอะคะออ่ะอในในวัดซึ่งส่วนใหญ่คนที่ไปวัดเป็นประจำเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งนะฝึกปฏิบัติตนอยู่แล้วใช่แต่ในช่วงที่มีความคิดเห็นที่ถิดแตกต่างกันเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วน ะ, ะว่าในวัดก็ไม่เบาเลยมไม่แตกต่างกันค่ะอ่า<ะ>คือมองกันเนี่ยไม่ได้ด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ใช่ค่ ะ, ะคือเหมือนอาจจะแบบว่า ดิฉันว่าบานหน้าน่าน้าเกรงขามากกว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อยู่ในที่ที่คิดว่าไม่ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ลแล้วทีนี้ว่าเรื่องเรื่องของการทะเลาะกันเนี่ยเราจะดูได้สมมุติว่าถ้าคนพูดจาในลักษณะที่จะให้เกิดการแตกกันพูดจาในลักษณะที่แบบฟังความข้างนี้บอกความข้างนู้นหรือพูดแบบเสีย บ, เ ส, ยบเสียบการทิมแทงกันเนี่ยคนที่จะทําอย่างนี้ไม่ได้ในคนที่จะทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยคือแน่นอนจิตเขาต้องมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่แบบมั่นคงละ ในในข้อที่6ตรงนี้นะเขามีแน่นอนนั่นคือเป็นโสดาบัลแน่นอนเพราะฉะนั้นเราดูได้ว่าถ้ายังมีการพูดทิมแทงกันอยู่ไอ้คนนั้นไม่น่าจะเป็นโสดาบัค่ะอันนี้พอจะบอกได้นะในในข้อตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเรื่องนี้ไว้กับภิกษุชาวโกสัมพีละนะเขาเขาทะเลาะกันแตกกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีหกอย่างเหล่านี้ค่ะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยความคิดหรือความเชื่อซึ่งมันจะส่งผลถึงการดําเนินชีวิต การแสดงออกที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถูกไหมคะใช่แต่คุณธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีงามของโลกในความแตกต่างกันนั้นมันมีสิ่งที่ดีงามเนี่ยเหมือนเหมือนกัน<ช>ถูกไหมคะใช<ล>่นั้นยวคือคือธรรมะทั้งหลายถูกต้องถูกต้องธรรมะนั่นเองแล้วคนเราจะคุ้นเคยกันก็คุ้นเคยกันด้วยธรรมะเดีถึงถแม้จะไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนะเดี๋วเพิ่งเจอกันครั้งแรก แต่ว่าถ้ามีธรรมะเหมือนๆกันเฮ้ยคุ้นเคยกันนี่เป็นพี่น้องกันทางธรรมเพราะอะไรเพราะมีพ่อเดียวกันนั่นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อเป็นบิดาเป็นบิดาทางธรรมใช่ไหมเป็นบิดาที่อยู่ในวิปัสตะเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราน ะ, ะแต่อจะมีบิดาทางวัตตะนั่นคือคนที่เป็นพ่อที่ให้กําเนิดเนี่ยคนละคนกันแต่บิดาทางวิปัตต์เนี่คนเดียวกันแล้วก็มีผลผลิตเหมือนกันมีธรรมะในใจเหมือนกันค่ะก็เป็นญาติกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรากําลัง มีความรู้สึกแหม่ไม่ใหญ่จะทนเลยทนไม่ได้อ่าก็ต้องรู้ว่าบนโลกนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนอยากให้คนคิดเหมือนเราคนอื่นเขาก็เหมือนเรานะคะเขาคิดไม่เหมือนเราเขาก็อยากให้เราคิดแบบเดียวกับเขาเหมือนกันแต่ในเมื่อเราแก้ปัญหาที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมความเชื่อคิดเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้หาจุดร่วมของแต่ละคนให้เจอและถ้าหาไม่เจอพระพุทธเจ้าชี้ทางให้แล้วนะคะว่ามีสารนียธรรมหก เมตตาทางกายวาจาใจการแบ่งปันสิ่งที่ได้มาให้เป็นการบริโภคสาธารณะนะคะคือใจกว้างๆหน่อยแบ่งแบ่งกนันอื่นบ้าง<ช>ค่ะแล้วมีสีนกัดทิฏฐิเสมอกันแล้วก็ในกรณีที่ว่าเราอาจจะไปเจอคนที่แบบคิดเห็นคนละเรื่องกันไปเลยต่างกันไปเลยแบบแบบนี้ก็มีนะซึ่งในสมัยพุทธการเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกภิกษุที่เวลาไปคุยกับพวกปริพาชก แต่ซึ่งปริพาชกเนี่ยเขจะมีความเห็นมีทิฏฐิอะไรแตกต่างกันกับของพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยละ่ะแต่ทีนี้พอมีความเห็นมีทิฏฐิอะไรแตกต่างกันอย่างนี้แล้วเอ๊ะเราจะไปพูดกับเขาคุยกับเขาหรือจะทาความรักความสามัคคีกันอย่างน้อยก็ไม่วิวาทกันเนี่ยจะทาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็แนะนําตรงนี้บอกว่าเรื่องไหนที่มันลงกันได้เข้ากันได้คุยกันตรงนั้นอย่าเช่นว่าต่างาศาสนาก็ตามนะอาจจะต่างความคิดเห็น คนนี like, ator, Now, ้บอกสวรรค์ไม่มีคนนี้บอกสวรรค์มีเอางั้นเรื่องสวรรค์มันต่างกันเราอย่าเพิ่งคุยเอาคุยเรื่องที่มันจะลงกันได้เช่นเรื่องศีลคุณมีไหมศีลมีเอาคุยตรงนั้นเมตามีไหมมีเอาคุยตรงนั้นถ้าเมตตาไม่มีอย่าไปคุยคุยเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้ไม่วิวาทกันนี่ละการคือตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เราก็จะไปได้แล้วตรงนี้ค่ะนะคะก็อยู่ที่เราแหละแล้วดิฉัน ดิฉันคิดว่าเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะต้องถึงขนาดนั้นเลยไหมคะว่าเห็นโลกมาพอสมควรเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกโลกไปเนี้ยใช่ไปยึดไปมั่นเอาไว้มากๆดีแต่เป็นภาระเรา <ไป S 2> ให้มันให้เหนือโลกพวกนี้ไปให้เหนือไปนั้นโลกเนี่ยม <c oughs> จะเป็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเราให้เหนือจากการควบคุมของสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็าจึงเรียกว่าโลกุตระคือเหนือโลกค่ะทําใจแบบนี้ไปอืม <c oughs> และ มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะทานคะ่ะคือเหมือนกับว่าในเวลาที่เกิดความคิดทํานองนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ยังต้องดําเนินชีวิตอยู่เพราะว่าลมหายใจก็ยังอยู่เนี่ยอ่า ม, มันก็คือทําให้ในแต่ละเวลานาทีขนาดนั้นเนี่ยดีที่สุดใช่ให้ผ่านไปให้ได้อืมอะไรมามีคําแนะนำหนึ่งเวลาที่เราดูสื่อหรือว่าคุยกับใครในที่เขาพูดประเด็นอะไรที่แบบเราไม่เห็นด้วยหรือว่ามันจะทําให้มีความบาดหมางกันมีเรื่องกันขึ้นมาเนี่ย คุณคุณเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยอันนี้เป็นข้อแนะนำนะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะักคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องฝนตกคุยเรื่องอากาศร้อนคุยเรื่องรถติดคุยไปเลยแต่อย่าไปคุยเรื่องที่มันจะแตกกันนะักเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะโดยเฉพาะยิ่งในสื่อโซเชียลอย่างนี้นะเขาถามคาดคัรณให้เราตอบเราเปลี่ยนเรื่องไปเลยเราจะสบายใจมากกับอีกอย่างนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันของญาติที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันที่เราฝึกตัวเองมันดูเหมือนกักเห็นแก่ตัวเคยมีคนกล่าวหานะคะว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้คนเห็นแก่ตัวคือเลือกที่จะพัฒนาตัวเองแต่จริงๆแล้วดิฉันเชื่อว่าในเมื่อเราฝึกตัวเองเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับรอบข้างด้วยอย่างแน่นอนใช่นะอย่างที่ว่าไปว่าเราฝึกตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็จะได้รับการไม่เบียดเบียนจากเรา ได้รับการ ค, ความรักให้ความเมตตาความอดทนจากเราแน่นอนเขาก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราฝึกนั่นแหละค่ะแล้วอย่างที่ท่านไปบูลได้พูดมาเมื่อสักครู่วันที่คุยอยู่ในสังคมโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือในสังคมโซเชียลปกติที่ไม่ได้ไปออนไลน์เนี่ยนะคะอ่าก็คือมันเหมือนกับถ้าผัสสะมันเยอะเนี่ยถ้าคิดจํากัดบ้างได้ก็ดีเพราะอย่างตัวเองได้ไดพบเลยว่าเมื่อยกเลิกลายบางลาย ชีวิตสบายขึ้นนะคะไม่ <S <S <S ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรืออะไรนะคะเหมือนกัเรารับรู้อะไรน้อยอ น, น, น้อยลงก็วุ่นวายน้อยลงใช่ความคิดเราก็ใช้ในสิ่งที่ทำให้สงบสันติใน ใ, ใจได้มากขึ้นอันนี้ก็จะตรงกันที่ พ, พระพุทธเจ้า ต, ตรัสว่าการที่อยู่ผู้เดียวบางครั้งหลีกออกจากหมู่เนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันได้ค่ะ ก็บริหารกันให้พอดีพอดีนะคะท่านค่ะก็กราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านเ <t> <min> พ, พริญบุญอภิปุณโนโนะคะวัปดป่าดอนไยโซเป็นอย่างยิ่งที่มาที่ทางให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะด้วยสารณียธรรมของพระพุทธเจ้ากราบน้มักการขอบพระคุณก <t> ัท <min> ้ค่ะจ่านค่ะ <min> ท <t> ่านฟัง <min> ท <t> ี <min> <t> ่ครบค่ะและนี่ก็คือรายการสันนิยมน์ชนนานะคะสําหรับพระอาจารย์เพริญบุนั้นเดือนหน้าท่านจะมากรุงเทพถ้า มโอกาสก็ใส่กันในปฏิทินไว้วันที่7มีนาคมที่สวนโมคขพลาลามนะคะที่กรุงเทพนะคะหอสมุดท่านพูทอาทาศอินทปัญโยสวนจตุจักรตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าเลยที่จะมาฉันพัตตาหารแล้วก็9้าโมงแสดงธรรมมโอกาสก็จะได้ไปฟังธรรมได้ไปพบท่านได้ไปรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรจริง วันนี้ลาไปเทนเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ